วันนี้ก็คือวันมราณาภาพของหลวงปู่ของเราแต่หลวงปู่ของเราท่านมราณะภาพไปแต่ธาตุขันร่างกายแต่ธรรมะคาสั่งสอนขององค์หลวงปู่ยังมีอยู่ในเทปยังมีอยู่ในหนังสือยังก้องอยู่ในหูของพวกเราอยู่มากมายเพราะนั้นพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทั้งเป็นญาติโยมและเป็นพระภิกษุสามเณร ที่เป็นลูกจิตลูกหาหลวงปู่ที่เคยมากราบมาไหวมาคารวะบูชาหลวงปู่ควรจะนำธรรมะของหลวงปู่เข้าสู่จิตใจไว้อยู่เสมอๆ อ, อย่าให้เหินห่างธรรมะของหลวงปู่คือเอาธรรมะของพอระเจ้าถนะัมาเผยแผ่มาตีแผ่มาขยายหรือมาทำความเข้าใจกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งคือมาย่อยเหมือนกับพวกเราเป็นลูกเล็กเด็กแดงนั่นนะจะเอาอาหารอะไรเข้าไปในปากของพวกเรา จึงจะกลืนได้หลวงปู่ก็เหมือนกันน่ะเป็นเหมือนกับพ่อนกแม่นกหรือเป็นพ่อเป็นแม่ของพวกเราพยายามเอาอาหารที่ปลูกคนไหนพอจะกลืนได้พอจะประพฤติธปฏิบัติได้ท่านก็ยัดเยียดให้พยายามส่งเข้าไปให้เพื่อจะให้เป็นคนดีเพื่อจะให้เป็นพระเป็นเนนที่ดีมีคุณค่ามีศีลธรรมภายในจิตใจเพรนั้นพวกเราควรจะนึกถึงหลวงปู่ไว้อยู่เสมอธรรมะของหลวงปู่เนี่ย อยู่ในจิตในใจของพวกเราไม่ใช่อยู่ที่อื่นท่านฝูกเอาจากใจของท่านมาสอนในพวกเรามาใส่ใ น, ในใจของพวกเราอย่างเป็นคราวาัท่านก็เน้นหนักจากอบายยมุขแล้วก็ให้มีศีลห้าไปจากายวาจาใจของพวกเราอย่างเป็นพระท่านก็ให้อยู่ในศีลธรรมแล้วก็ให้มีพุทธรรมให้ตั้งอกตั้งใจภาวนายึดภาวนานั่นแหละเป็นหลักสิ่งอื่นสิ่งอย่างอื่นท่านไม่ได้เน้นหนัก ท่านไม่ได้ส่งเสริมอะไรมากแต่ว่าเรื่องภาวนาเนี่ยท่านมาทีไรท่านก็พูดเรื่องภาวนาพวกญาติโยมมาทีไรก็อธิบายเรื่องศีลเรื่องธรรมให้ฟังที่ท่านอธิบายให้ฟังนะพ่อยนั่นแ่ะอยู่ในหนังสือนะั่นแหะอยู่ในเทปก็มีอยู่ในหนังสือก็มีล้วนแล้วจะเป็นคาพูดที่ทรงคุณค่าทั้งหมดเมื่อหลุงผูร่วงรับไปแล้วยิ่งมีคุณค่ามากเพราะนั้นพวกเราที่เป็นพระ ก็ขอให้อยู่ในโอวาทของหลวงปู่ผมก็อยู่ในฐานะที่ว่าเป็นพี่ใครจะว่าไปก็เหมือนเป็นพี่มีอายุพรรษามากกว่าพวกท่านทั้งหลายจงาดว่าเป็นพี่พี่พี่น้องๆ อ, อ, อยู่ด้วยกันก็ได้ตั้งอกตั้งใจยึดธรรมะด้วยว่าคำสอนขององค์หลวงปู่เนี่ยให้เป็นลักษณะแนวเดียวกันอย่าไปแหวกแนวอย่างหลวงปู่ไม่เคยสอนพวกเราอย่าลิขธรรม อย่ารีทในสิ่งที่หลวงปู่ไม่เคยสอนหลวงปู่สอนให้อยู่ในทํานองคลองทำให้อยู่ในศีลธรรมไปอยู่ในสถานที่ใดให้ดูตนเองให้ดูให้มีสติเรื่องบัตรเรื่องเบอร์หลวงปู่เน้นหนักมากท่านบอกว่าถ้ า, าว่าไม่มีใครมาใส่บาตให้กินถ้าจะมาขอบัตรขอเบอร์แล้วอย่าไปกินของเขาอย่าไปใช้ของเขาเรากินข้าวกับเคลือยังมีประโยชน์กว่า ที่จะไปกินของที่เขามามู่งฝังบัตรเบริร์อันนี้หลวงปู่พูดอยู่เสมอเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือหลวงปู่เน้นหนักให้พวกเราอยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยถึงจะทุกข์ยากลําบากขนาดไหนก็ให้อยู่ในกรอบหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจะเป็นพระที่โง่แต่เป็นพระโง่ที่น่ากลาบไหว้บูชาแต่เป็นพระฉลาดก็ฉลาดในหลักธรรมวินัยก็ยิ่งเป็นพระที่น่ากล่าวไหว้บูชา แต่ถ้าหากว่าฉลาดออกนอกลู่นอกทางไม่อยู่ในโอวาทของครูบาอาจารย์ไม่อยู่ในโอวาทของพระพุทธเจ้าเป็นพระที่ฉลาดแหวกแนวเป็นที่หน้าตําหนิของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหลวงปู่ในตําหนิแน่ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านต้องตําหนิแน่ถ้าองค์ใดทําอย่างนั้นเพราะ น, นั้นพวกเราไปอยู่ในสถานที่ใดให้เหมือนกับเกลือให้รักษาความเค็มไว้อยู่เสมอไปอยู่ในสถานที่ใด ให้ตรวจตาเอาทำคําสั่งสอนของหลวงปู่สอนไว้อยู่เสมอเตือนตนเองไว้อยู่เสมออย่าทำในสิ่งที่หลวงปู่ไม่บอกไม่กล่าวนี่แหละถ้าหากว่าพวกเราทําได้อย่างนั้นพวกเราเป็นพี่เป็นน้องกันถึงจะอยู่ในสถานที่ใดห่างไกลกันก็เหมือนกับอยู่ใกล้กันเพราะมีความคิดมีทิศทิเสมอกันมีศีลเสมอกันมีความเห็นแบบเดียวกันถึงจะอยู่ไกลกันก็เหมือนกับอยู่ใกล้กันก แต่ถ้าหากว่าพวกเรามีความเห็นไม่ตรงกันไปคนละทิศละทางหรือม่อยู่ในโอวาสของหลงปู่ที่สั่งสอนถึงพวกเราจะเกาะแขนกันอยู่แต่จิตใจก็ไปคนละทิศละทางไม่ไปแนวเดียวกันเพราะนั้นพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลกหาของลวงปู่วันนี้เป็นวันครบรอบน่นะนานๆพวกเราจะได้มาเจอมาพบกันอย่างนี้ผมขอเตือนในฐานะที่ผมเป็นพี่ของหมู่ปกเพื่อน ถึงพวกท่านจะไม่ยกว่าให้เป็นพี่ก็เถอะแต่ตามพระวินัยก็ผมมีอายุพรรษากว่าท่านแต่ก็ไม่มากเดือนสองเดือนปีสองปีก็มีนะคให้ตั้งอกตั้งใจภาวนารักษาศีลภาวนาก็ลงปูกก็สอนแต่สมัยผมมาอยู่กับเป็นเนนของท่านท่านบอกว่าบริกรรมลมหายใจเข้าเกิดหายใจออกดับหายใจเข้าเกิดหายใจออกดับถ้า่า เวลาภาวนาอย่างนี้เกิดดับเกิดดับมันจะเห็นอนิจจังในตัวมันเป็นลักษณะวิปัสนาไกลๆเท่านั้นทําคิดให้สงมบมแต่เป็นวิปัสนาด้วยคือเห็นอนิจจังของไม่เที่ยบเกิดดับเกิดดับเกิดตายเกิดตายเกิดตายนะพูดง่ายๆอือันนี้ก็หลวงปู่ก็สอนสอนในลักษณะนี้เพรา ะ, ะนั้นพวกเราที่ได้ยินได้ฟังโอวาทของหลวงปู่ก็พยายามทําใจหรว่าพยายามทําให้ขมับขมิ้นไปอยู่ในสถานที่ใด อย่าไปมุ่งหวังโลกามิภายนอกไปอยู่ในสถานที่ใดให้ระมัดระวังโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งหลวงปู่เน้นหนักเรื่องผู้หญิงีงส่วนหนึ่งสําหรับพระเนรท่านเป็นห่วงมากๆในจุดนี้แล้วก็เรื่องบัตรเรื่องเบอร์อันนี้ท่านก็เป็นห่วงท่านพยายามเตือนพวกเราไว้อยู่เสมอเพราะนั้นพวกเราอย่าไปมุ่งหวังสิ่งภายนอกให้หมุ่งหวังสิ่งภายในคือจิตและธรรมหรือภาวานานี่แหละเป็นหลัก ทางว่าพวกเรามีคุณธรรมมีศีลธรรมในใจแล้วอย่าไปกลัวอดไปอยู่ในสถานที่ใดไม่อดไม่หยาบญาติโยมเทวบุตรเทวดามีหูมีตามองเราอยู่เอออย่าไปคิดว่ามันจะอดเรามีศีลมีธรรมถึงจะอยู่ในห้วยลาวเขาก็าเถอะเขาก็พยายามปีนป่ายมาถึงอย่างที่หลวงปู่สมัยท่านมาอยู่ที่นี่เน่ะกันดานขนาดไหน บางทีท่านเคยจำพรรษากับผมสององก็เคยมีทั้งสองสามพรรษานะ่ะท่านก็ไม่ได้น้อยอกน้อยใจว่าเรามาอยู่ในสถานในปา่าในเขาในลำเนาไผ่เราอยู่กันเนนเท่านั้นออท่านก็ไม่ได้น้อยใจท่านกับมุ่งมั่นขัดธรรมพูดออกมามสิไรมีแต่ศีลมีแต่ธรรมมีแต่เรื่องหัดเรื่องธรรมเดินงกยมแต่ละวั น, นท่านไม่เคยให้ขาดเลยเป็นกิ จ, จวัตรประจําวันขององค์ท่านเลย เ, เดินโยมนั่งสมาธิภาวนา เน้นหนักแล้วพวกเรามาถึงจุดนี้วันนี้หรือมาถึงที่พวกเราได้มาอยู่อาศัยท่านเป็นยังไงกับสมัยก่อนนั่นแหละสรุปแล้วก็คือเท ว, วดาหรือว่ามนุษย์ทั้งหลาย น, นสะสาะแสวงหาพระที่ดีผู้ปฏิบัติ ด, ดีผู้ทรงคุณธรรมถึงจะอยู่ในกรุงเทพอยู่ในทีใ่ใดๆก็หลั่งไหลขึ้นมามากราบมาไหว้ลุงปู่เพื่อจะได้เข้ามาสัมผัสมาอยู่ใกล้เพื่อจะได้ฟังโอวาท ขององค์ท่านพอได้ยินโอวาทของลุงปู่พอมาเห็นกับหูกับตาท่านมีเมตตาธรรมไม่ว่าคนมีคนจนเข้ามาหาลงุงปู่ลุงปู่ให้ความเมตตาเสมอกันหมดดูแลทั่วถึงการพักผ่อนไปยังไงการดูเป็นยังไงการกินไปยังไงลงุงปู่ดูหมดเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราควรจะยึดแนวความคิดของลุงปู่ให้ดีเวลาแขกคนเวลาใครใครมาก็ตาม พวกพระทั้งหลายพวกพระที่อยู่ในสถานที่ใดก็ตามให้เป็นหูเป็นตาให้ช่วยเพราะเป็นพุทธบริษัทด้วยกันเรามีอะไรพอจะช่วยเหลือได้ก็ช่วยดูแลการเป็นอยู่การอยู่การฉันการหลับการนอนการไปการมามปฏิสันฐานคารวะตาเคารพในปฏิสันถานคือการต้อนรับนี่แหละทีนี้มาพูดถึงเรื่องการเป็นอยู่ของพระสงฆ์ลาบยศสรรเสริญ อันนี้เป็นโลกกระถับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อมันเกิดขึ้นอย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนาส่วนที่ปรารถนาคืออะไรมีอยู่สีอย่างไม่ปรารถนาก็มีอยู่สีอย่างในแดข้อนั้นนะมีลาบเราปรารถนาเสื่อมลาบเราไม่ปรารถนามียศเราปรารถนาเสื่อมยศเราไม่ปรารถนาเสนเสริญเราปรารถนานินทาเราไม่ปรารถนา สุกแล้วปารธนาทุกไม่ปารธนานี่แหละแต่ตามไม่จริงในพระของเรานะถ้าจะว่าไปผมเคยพูดเสมอบอกว่าเราเนี่ยเป็นพระยศของเราเป็นพระมันน่าภาคภูมิใจแล้วพระเปว่าผู้ประเสริฐเป็นผู้มีศีลธรรมเป็นผู้ประเสริฐ น, นี่แหละน่าภาคภูมิใจแล้วพอแล้วตําแหน่งที่ว่ายศยศของพนะระนี่เราจะเอาอะไรอีกเราจะอะไรมาเพิ่มอีก เราเป็นยศของพานพอแล้วลาบก็เหมือนกันบินทบาทขึ้นมาตอนเช้าเราฉันก็ไม่หมดแล้วเราจะเอาอะไรอีก เ, อเราเป็นพระบิณทบาทมาฉันก็เหลือฉันแล้วก็พอแล้วเพราะยังชีพให้เป็นไปเพื่อได้ประพฤติปฏิบัติรักษาศีลภาวนาหาทางคนทุกเอออันนี้ลาบก็น่าจะพอแล้วสันและเสริญก็เหมือนกัน แต่ถ้าว่าเราทําไม่ดีคนอื่นสรรเสริญว่าเราเป็นคนดีเราเป็นปุตุชนแต่คนอื่นยกย่องว่าเราเป็นพระหัน์มันก็จะเกิดประโยชน์อะไรเราก็ยังเป็นปุตุชนอยู่อย่างเก่าเพราะฉะนั้นให้เชื่อมั่นในตนเองถ้าเขานินทาเราไม่เป็นอย่างเขานินทาเราก็ไม่ควรจะเสียใจถึงจะเสียใจก็เถอะขอพยายามพยายามอย่างที่พุทธองค์ว่านั่นะพยายามอย่ายินดีในส่วนที่ปราถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนาเนี่ย ถ้าเขานินทาเราก็เออมันจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าถ้ามันจริงอย่างที่เขาพูดเราก็ปรับปรุงแก้ไขตัวของเราเพื่อมันจริงอย่างที่เขาพูดจริงๆแต่ถ้าว่าไม่จริงเราก็เออเขาพูดไม่จริงนี่แหละนินทาชวนสุขหรือทุกข์ไม่มีใครที่จะนํามาให้เราได้นําได้ย่ได้สิ่งภายนอกแต่สุขจริงๆนั้นมันต้องเจาะสวงหาเองเราภาวนาชําระจิตใจ หมดกิเลสจิตใจสงบเออนั่นมีความสุขจิตใจเป็นพระโสดาบันมันมีความสุขขยับขึ้นไปจักทาคามีขยับขึ้นไปอนาคามีขยับขึ้นไปพระรหันเนะ่ยสุขเต็มที่เพราะฉะนั้นความสุขอันนี้นะ่ยไม่ต้องให้คนอื่นเอามาให้เราเรานั่นแหละเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองแต่ว่าโลกกระทำแปดเนี่ย น, นะเพราะฉะนั้นพวกเราให้เชื่อมั่นพยายามสร้างในตัวของเราเนะี่แหละเราเป็นพระสมบูรณ์แล้ว ขอให้อยู่ในศีลธรรมในออวาดคำสั่งสอนของหลวงปู่หลวงปู่เคยพูดเสมอน่ะจับปปาปัจสักระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงในออวาสพระปฏิโมกขุสรสูระสัปสพะดาการยังกุศลให้ถึงพร้อมสาจจิตตงประโยชน์านังการทำจิตให้ของใสให้บริสุทธิ์เอตังพุทธานะัสาสนังนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย หลวงปู่เคยพูดไว้อยู่เสมออย่างนี้หลวงวาดพระปฏิโมกสอนพวกเราเพราะะนั้นพวกเราให้ตั้งอกตั้งใจไปอยู่ในสถานที่ใดก็ไปสร้างคุณงามความดีให้ ร, รักษาคุณงามความดีเหมือนกับเกลือรักษาความเค็มไว้อยู่อย่างนั้นแหละเป็นฆราวาสก็ให้ ร, รักษาความเค็มของฆราวาสเอาไว้ไปอยู่ในสถานที่ใดให้มีศีลมีธรรมเป็นพระไปอยู่ในสถานที่ใดก็ให้มีศีลมีธรรมเหมือ น, นกับเกลือน่ย ไปตกอยู่อังกฤษอเมริกาอยู่พั้วโลกไหนก็เค็มเหมือนเก่าอันนี้ก็เหมือนกันเราเป็นพระไปอยู่ในสถานที่ใดก็รักษาคุณงามความดีเหมือนกับเกลือรักษาความเค็มไว้ฉันนั้นฉันว่างสําหรับญาติโยมหลวงปู่เคยแนะนําเครื่องศีลห้าปานาห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์อาทินาห้ามไม่ให้รักทรัพย์กาเมไม่ให้พระพื้นปิดในกามมูสาไม่ให้โกหกสุรามไม่ให้ดื่มสุราชเมรัยไปที่ตั้งแห่งความประมาท ท่านว่าท่าว่าใครรักษาศีลห้าได้ทำไมปิดอบายพระปู่อันนี้หลวงปู่ก็เคยพูดให้พวกเราได้ยินเสมอสําหรับฆราวาสถ้าไม่จริงปิดความชั่วด้จริงๆนะศีลห้าเนี่ยนะท่าว่าใครท่านผู้ใดมีศีลห้าแล้วไม่ติดคุกไม่ติดตารางนะอืมไม่เข้าคุกไม่เข้าตารางเพราะศีลห้าเนี่ยเป็นเครื่องประกันคุณงามความดีสําหรับฆราวาสศีลสองร้อยิบเจ็ดของพระยุคสมัยทุกวันนี้ ได้ยินอยู่เสมอเกี่ยวกับพระวันนั้นพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เนี่ยอย่าให้ได้ยินอย่างนั้นถ้าหากว่าเราอยู่ไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็ควรจะออกไปเป็นฆราวาสซักเออพราะมันอยู่ไม่ได้อย่าทําให้เสื่อมเสียในศาสนาหรือเสียครูบาอาจารย์ที่ท่านอบรมสั่งสอนอย่าไปทําทําได้ก็ไม่ดีไม่เป็นมงคลสําหรับตนและไม่เป็นมงคลสําหรับมือสาหรับเพื่อนไม่เป็นมงคลสําหรับครูบาอาจารย์ อยากล้มปู่ของเราเนี่ยล้มปู่ของเราจะสอนพวกเราให้เป็นพระที่ดีเนนที่ดีเพราะฉะนั้นจะทําสิ่งใดต้องคิดลาลึกถึงล้งปู่ไว้อยู่เสมอล้มปู่ห้ามสิ่งนี้ไม่ควรทําอยากทําก็ไม่ทำํำยามเบรกตนเองให้ได้แต่สิ่งใดที่ล้งปู่แนะนําสั่งสอนให้ทํานั่นละ่ะทําสิ่งนั้นไม่อยากทําก็เยียบกานเร่งให้ทํบาบังคับให้ทําที่แรกไม่อยากทําเนี่ยแต่พอทํำคนไปแล้วผลความสุขเย็นสบายใจขึ้นมาที่นี่ ทำจะเป็นนิสัยและจะมีความสุขเลยทีนผลที่สุดตั้งบอกว่าคนดีทําดีได้ง่ายคนชั่วทําชั่วได้ง่ายหลวงปู่เคยพูดเสมอคํำนี้เอคนดีทําชั่วได้ยากเหมือนกับอย่างพวกเราเนี่ยให้ไปป้นไปจี้ไปฆ่าไปอะไรเขาเนี่ยมันทําไม่ได้แต่ให้เรารักษาศีลภาวนาไหวาพ้พระสวดมวนต์เราทําได้แต่ว่าคนชั่วเนี่ยจะมาไหวาพ้พระสวดมวนต์รักษาศีลเนี่ยทําไม่ได้ อาจจะให้กินเหล่าเมายาฆ่าแกงนะี่ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นเราให้สังเกตดูใจของเราถึงใจของเราเนี่ยมันคิดไปทางไหนมันคิดไปทางกุศลหรืออกุศลถ้ามันคิดไปในทางกุศลก็แสดงว่าเรานี่เป็นคนดีแต่ใจของเรามันคิดไปทางอกุศลแสดงว่าตัวของเราเนี่เป็นคนชั่วเนี่ยแหละไม่ต้องสังเกตคนอื่นถ้าคนอื่นเราอาจจะดูได้ยากว่าคนนั้นเป็นนี้ค น, นนี้เป็นอย่างนั้น ดูตัวของเราเนี่แหละเป็นสําคัญเอเราจะรู้ได้ที่ตัวของเราแล้วกัการสร้างคุณงามความดีเราจะไปนับคนอื่นว่าคนนั้นน่าจะเป็นคนดีคนนี้น่าจะทําความดีคนนั้นน่าจะเป็นอย่างโน้นคนนี้น่าจะเป็นอย่างนี้อย่าไปนับคนอื่นให้นับตัวของเราเนี่แหละเป็นอันดับแรกเดี๋ยวนี้โลกทั้งโลกที่มันอยากจะให้คนโน้นคนนี้ดีแต่มันจู้งไปหมดทําให้โลกทั้งหลายเดือดร้อนกันอยู่ในนี้ก็เพราะ อยากจะให้คนอื่นดีนะนะั่นแหะแต่ไม่มองตัวเองถ้าว่าพวกเราทุกองที่เป็นพระที่เป็นโยมที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เนี่ยพยายามมองตัวเองเสมอสิ่งนี้หลวงปู่ไม่ให้ทําสิ่งนี้หลวงปู่แนะนําให้ทําสิ่งนี้ครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ไม่ให้ทําเราก็งดเว้นท่านให้ทําสิ่งใดเราก็ทําสิ่งนั้นอันนี้คือเราต้องตรวจตาดูตัวเองเสมอทีนี้พอนับหนึ่ง ใครจะเป็นคนดีต้องนับหนึ่งข้าพเจ้าจะเป็นพระที่ดีข้าพเจ้าจะเป็นโยมที่ดีผู้หนึ่งคนนั่งก็นับหนึ่งคนนี้ก็นับหนึ่งที่มานั่งอยู่ น, ยนี่น่ะถ้าเป็นพระเป็นเองก็ร้อยโคองนั่นนี่ต่างคนงก็ต่างนับหนึ่งจากตัวเองญาติโยมก็นับหนึ่งจากญาติโยมทีนี้มารวมกันหนึ่งตัวนหนึ่งมันเป็นเท่าไหร่เป็นร้อยเป็นพันเข้าไปแต่ถ้างว่าเราไป น, นับคนนั่นน่าจะทําความดีคนนี้น่าจะทําความดีตัวเองไม่ดูตัวเองนะั่นอ่ะมันหาความดีไม่ได้ อย่างนั้นเออผลที่สุดเขากำตำหนิเราได้อยากจะให้แต่คนอื่นดีเหมือนกับเหล็กท้องบุ๋งน่นนะเออมันไปขัดแต่คนอื่นแต่ตัวเองไม่ขัดเห็นไหมหละ่ะพระเจ้าของเราเนะี่ยท่านไปบําเพ็ญอยู่ในป่าหาทางพ้นทุกข์ที่ถึงหกปีเนี่ยอยู่ในป่าจนเจาะแสวงหาทางพ้นทุกข์ได้นื่เมื่อท่านเจาะแสวงหาทางพ้นทุกข์ได้แล้วท่านก็นำธรรมที่ท่านได้พบได้เจอ มาสั่งสอนพวกเราทั้งเป็นคราวา่าทั้งเป็นพระสงฆ์คราว่าท่านก็นสอนอีกอย่างหนึ่งเป็นพระท่านก็นสอนอีกอย่างหนึ่งแต่เป็นพระในสอนแนวหน้าท่านต้องสอนแบบเข้มงวดขวดขันแต่คราว่าท่านสอนอีกแบบหนึ่งเบาๆแตนี้เวลาท่านสอนน่ะธรรมะของท่าน่ะทุกบททุกบทที่เราได้ยินได้ฟังเราลมตึกขึ้นมาได้วันไหนเวลาไหนขณะไหนถึงจะอยู่ในห้องจะอยู่ในที่ใดก็ตาม เราก็ยกมือไหว้ประหลอกเลยนะถึงจะไม่ยกมือไหว้แต่น้อมใจลำดุกถึงธรรมะของพระพุทธเจา้าเป็นของจริงจริ ง, รงมีเหตุมีผลจริงๆรงิหน้าเคารพหน้ากราบไหว้หน่าสักการะบูชาเอออันนี้องค์ท่านก็ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบคําสั่งสอนของท่านก็ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบอันนี้แปลว่าดีทั้งองค์ท่านดีทั้งคําสั่งสอนแต่พวกเรานี่มีแต่จะสอนให้คนอื่นดีแต่ตัวเองเนี่ยทำไม่ดี อย่างคารวาสอย่างนี้เป็นต้นสอนมาให้คนทั้งหลายกินเหล้าเมายาในะตัวเองพอพูดจบแล้วไปนั่งตีวงมไม่รู้ว่ากลมไปรู้ว่าแบนเออแล้วโลกมันจะดีได้อย่างไรไปสอนแต่คนอื่นเอตัวเองเห็นไม่เป็นนั่งล้อมอยู่นั่นทีนี้คนที่ได้ยินได้ฟังมันจะดีได้อย่างไรอเออพราะว่าเขาเห็นตําหนูตําตาอยู่อย่างพ่อแม่ก็เหมือนกันอยากสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีแนะนําอยากจะให้ลูกเป็นคนดี แต่พ่อแม่เองนั้นน่ะเป็นคนดีไม่ได้พ่อก็ตกตอนเย็นมา ก, กับเมาแป่ผู้แม่ก็อีกอย่างหนึ่งไม่มีขอบไม่มีเขตและลูกสาวลูกชายจะเรียนอะไรจากพ่อจากแม่เขาก็ยึดพ่อแม่เป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์ถ้าพ่อแม่ดีมันก็ดีแต่พ่อแม่ประพฤตนตัวไม่ให้เป็นตัวอย่างของลูกแนะแต่อยากจะให้ลูกดีตัวเองนะพอมาถึงบ้านถกเถียงกัน ไม่รั้ว่าเสียงพอ่อไม่รู้ว่าเสียงแม่ด่ากันโคมโคมในบ้านและจะให้ลูกดีจะดีได้อย่างไรที่พูดท้งนี้ทั้งนั้นก็พยายามตรวจตราพวกเราอยู่เสมอเสมอทั้งเป็นพระทั้งเป็นคราวญอยาก จ, จะให้คนอื่นดีต้องดูตัวเองซะก่อนอยากจะให้ลูกดีก็ต้องดูตัวของพ่อของแม่เป็นพระก็เหมือนกันเป็นครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันเอ อ, อยากจะให้ลูกศิษย์ดีก็ต้องพาลูกศิษย์ทําในสิ่งที่ดีอยู่ในกรอบของหลักธรรมพินยัยนั่นแหะ ทีนี้พอมันดีขึ้นมาแล้วพ่อแม่ก็ดีลูกมันก็ดีกัน mm hmm. เหรียญก็ดีหลานก็ดีต่อไปก็ดีไปเรื่อยๆเออแต่ถ้าหาว่ามันไม่ดีแล้วมันก็อย่างว่าแล้วล่ะมันก็ไม่ดี mm hmm. มีคนไปถามผมอยู่เสมอเรื่องพระสงฆ์ทำไมได้ยินออกมาแต่ละวันเรื่องพระสงฆ์องค์ข้าอจริงวันนี้พวกท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายก็คงจะได้ยินได้ฟังกันแต่นั้นพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ของเรานะพยายาม พยายามอย่าให้มันเป็นอย่างที่เขากล่าวถ้าได้ยินแล้วมันรู้สึกมันปวดหัวจิตใจพอปลาเน่าตัวเดียวเท่านั้นนะมันเหม็นเน่าทั้งข้องทั้งตัด ก, ก้าแนละ้ว ง, งั้นเถอะเออเพราะนั้นพวกเราอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นพยายามอยู่ในกรอบของหลักธรรมพินยัยรักษาไว้ให้ดีแต่ผมก็เคยพูดกับเขาบอกว่าตามที่จริงวงการของสงเนี่ยนะถ้าจะว่าไปแล้วก็ยังจัดว่าอยู่ในขั้นดีอยู่ ถ้าจะเปรียบเทียบกับวงการอื่นๆก่อนนับว่าวงการสงฆ์เนี่ยยังเป็นที่ยอมรับอยู่หรือจะพูดอย่างนี้อาจจะเข้าข้างตัวเองก็ไม่รู้นะนะคือตามไม่จริงวงการพุทธศาสนาเมืองไทยของเราตั้งแต่พ่อคุณลามกำแหงออกคุณสีอินทริ t ย์จนมาทุกยุคทุกสมัยชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์าศาสนาคือคือพุทธศาสนาเนี่ยนะเป็นาศาสนาประจาชาติ มาตั้งแต่โบ ร, โบราณแต่พอมาถึงยุคนี้สมัยนี้เป็นยุคโลกาพิวัตคือยุคที่ว่าโลกไร้พรมแดนทำอะไรก็ได้ใครทำที่ไหนกดฟุกจากกันหมดตอนนี้พระสงฆ์ผู้บวชเข้ามาก็ไม่ได้ขัดไม่ได้เก่าไม่ได้พยายามรักษาศีลภาวนาตามธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพอบวชเข้ามาแล้วก็สังสมกิเลสราคะโทสะโมหะ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทําตัวเหมือนกับคารวาสเพราะพระสงฆ์ที่มาบวชนี่ก็ไม่ใช่เอาผู้วิเศษที่โสอินทรมที่ไหนมาบวชก็อเอาผู้ตุชนผู้มืดบอดผู้หนาด้วยกิเลสน่ะมาบวชแต่พอมาบวชแล้วก็ไม่ชําระไม่ดัดแปลงไม่ฝึกหัดดัดนิสัยของตัวเองใช้นิสัยอย่างเก่ามันก็เหมือนกับคารวาสเลยสิมันยิ่งร้ายกว่าคารวาสไปอีกด้วยซ้ําไปเพราะคารวาสเทาชั่วน่ย เขาก็ยังกินข้าวตัวเองเขาก็ยังทํางานของเขาเองแต่พระชั่วเนี่ยเราอาศัยคนอื่นเขาเป็นอยู่นี่สิ่งเนี่ยที่เราน่าจะคิดนะแต่ผมก็เลยพูดก็ว่า ต, ตามไม่จริงยุคโลกาพิวัติเนี่ยพระสงฆ์ถ้าเป็นลูกตุ่มกับใครเขาว่ากวัยแก่เออไม่นิ่งแต่ถึงยังไงก็เถิดถ้าว่าพวกพุทธบริษัทสี่มองกันให้เป็นธรรม เราควรจะมองเออขนาดพระสงฆ์เป็นที่ยอมรับมาตั้งแต่บรรพบุรุษของพวกเราสถาบันหรือว่าวงการนี้ยังไกวแข่งถึงขนาดนี้วงการอื่นจะเป็นอย่างไรหน อ, เ, อเราควรจะคิดอย่างนี้ไว้ไม่ควรจะตาหนิส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็น้อมเข้ามาหาตัวเองว่าข้าพเจ้าจะเป็นพระที่ดีองค์หนึ่งจะเป็นคนที่ดีองค์หนึ่งจะอยู่ในทํานองครองธรรมหรืออยู่ในสิ่งละธรรมจะไม่แหวกแนว จะไม่ทำสิ่งที่ว่าชั่วช้าเสียหายเสียหายแก่ประเทศชาติบ้านเมืองให้เดือดร้อนแก่หูงชนทั่วไปเราก็พยายามทำตัวให้อย่างเนีเออ้แต่เรื่องพระชั่วนี่นะมันไม่มีแต่สมัยของเราสมัยครั้งพุทธกาลก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกท่านพูดเอาไว้พระพุทธเจ้าท่านตั้งกฎหมายและตั้งรัฐธรรมนญขึ้นเมื่อวันมาคาบูชาเดือนสามเพน พระมาประชุมกัน1ันสองค์ห้าสิบองโดยไม่ได้นัดแนะล้วนแต่เป็นพระรอรหันต์เี่ยหีพิภูปวดเฉพาะพระโอษฐ์หรือพระพักของพระพุทธเจ้าเองพระอรหันต์เหล่านั้นคงจะเป็นผู้มีอภิญญาสมาบัตินั่นแหละหือรู้จักกำหนดแล้วก็มาเองในตอนบ่ายของวันมาค้าบูชาดังนั้นพระองค์เห็นว่าพระสงฆ์มาพรพ้อมผู้โอวงก่อนประชุมสองก็วางกฎคือพระวินัย พระุทธองค์ก บ, บัญญตัตพระวินัยตั้งแต่ปลาราชิกสี่สังฆาทิเศิสามมรนคสองเอสคีปฏิติ30ปฏิตี92ปฏิเทธนิยะสี่เสกยวัตเจ็ด2ุดอธิกรณะสมร t h เข้าวรวมเป็น227่เป็นวัสีสิบข้อนอกนั้นเป็นวสิณอภิสมาจารพรพุทธองค์เป็นผู้สวดพระปฏิโมกเองในถ้ำกลางสงต่อมาพระุองค์ก็สวดมาเรื่อยๆเพื่อจะให้พระสงฆ์เรียนรู้ เรอจดจําไปสวดในถ้ำกลางสงฆ์ตั้งแต่สีองค์ขึ้นไปจะมีวันอุโบสถกลางเดือน14บสี่ส้าคเนี่ยจะต้องสวดพระปฏิโมกทุกต้นเตือนนักกลึงเดือนอันนี้คือพระวินัยบัญญัติเอาไว้ถ้าพิสูจใดไม่ลงพระปฏิโมกขับอวบัดทุกคนเต็มพระองค์เป็นองค์สวดพระปฏิโมกอยู่นานพอสมควรพอมาวันหนึ่งพระสงฆ์มาประชุมพร้อมกันบนศาลาตามปกติพระองค์จะมีการประชุมตอนหัวค่ํา เมื่อพระสงฆ์พร้อมกันแล้วพระพุทธองค์ก็แสดงพระปฏิโมกในถ้ำกลางโศกแต่วันนั้นเมื่อพระสงฆ์มาพร้อมแล้วพระพุทธองค์นั่งนิ่งไม่พูดไม่แสดงอะไรพระอนนท์ก็เห็นว่าพระพุทธองค์นั่งนิ่งและพระสงฆ์ขัพร้อมแล้วก็กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าครัพระสงฆ์พร้อมแล้วขอแสดงพระปฏิโมกข์ผู้พุทธองค์ไม่ตอบไม่พูดอะไรนั่งนิ่งอยู่นั้นจนถึงเที่ยงคืน เที่ยงคืนก็นั่งนิ่งอยู่พระอนุ์ก็ถามพระพุทธเจ้าค่ะพระสงฆ์พร้อมแล้วเวลานี้เป็นมัดชิมย า, ยามเที่ยงคืนแล้วพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็ไม่ตรัสว่าอะไรนั่งนิ่งจนถึงตีสี่ตีห้าจวนจะสว่างพระอานุ์ก็กราวพรูนอีกพระพุทธเจ้าค่ะถึงเวลาแล้วพระสงฆ์พร้อมแล้วเวลานี้เป็นปัดชิมยามแล้วจวนจะสว่างแล้วพระเจ้าค่ะขอพุทธองค์ทรงแสดงพระปฏิโมก พระองค์ตัดขึ้นมาเลยบอกว่าในสง์ที่นั่งประชุมกันเนี่ยสงไม่บริสุทธิ์มีอยู่วันนั้นตถาคตจะไม่แสดงพระปฏิโมกข์ในสงที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยสิพระท่านรู้ทางภายในของท่านเนี่ยพระองค์ไหนไม่บริสุทธิ์องค์ไหนบริสุทธิ์ท่านรู้เนี่ยในบริสุทธิ์ในศีลทีนี้พระโมคคลาภาษาริบุตรที่เป็นอัครสาวกของพระองค์งประกา ศ, กาศเลยเสนอยืนขึ้นประกาศท่านองค์ใดไม่บริสุทธิ์ในศีลดียวนี้ ขอให้ออกไปจากบริเวณนี้ออกไปจากตลาดแห่งนี้ไม่มีองค์ใดขยับนั่งนิ่งประกาศถึงสามครั้งก็ไม่มีองค์ใดขยับแต่นั้นพโมูพลากระท่านเข้าชานสมาบัติจร อ, อเหมือนกับเอาเครื่องเลดา่าเขาไปจับเลยกันเลยอยากจับพะลุว่าองค์นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทขนาดไปดึงแขนลากขึ้นก็นยังไม่อยากจะขึ้นเหมืกันไม่อยากจะลุกออกจากอง์การพอดึงลากออกไปแล้วปิดประตู ไม่แห่อุนั้นเข้ามาตั้งแต่วันนั้นพระุทองค์ก็เลยตวดปฏิโมกย์แล้วพระพุทองค์บอกว่าตั้งแต่วันนี้ต่อไปตถาคตจะไม่แสดงพระปฏิโมกเพราะต่อไปข้างหน้าพระสงฆ์ที่ไม่บริสุทธิ์ในศีลจะมีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นตถาคตจะแสดงพระปฏิโมกในพระสงฆ์ที่ไม่บริสุทธิ์ในศีลไม่ได้ตั้งแต่นั้นมาพูดก็ไม่แสดงพระปฏิโมกให้พระสงฆ์แสดงต่อไปนี่แหละเป็นนั้นว่า ถ้าสง์ที่ไม่บริรสุทธิ์ในศีลเนี่ยไม่มีแต่ยุคนี้สมัยนี้มันมีมาตั้งแต่ทรั้งพระเจ้ายุคนั้นสมัยนั้นาาก็จะมีกิเลสอยู่ก็มีกิเลสราคะมีโทสะโมหะเหมือนกับยุคสมัยทุกวันนี้แต่ยุคสมัยนั้นเป็นผู้มุ่งมั่นในอัดในธรรมถ้าจะว่าไปเลยก็ยุคนั้นเป็นยุคเกรดเอถ้าจะเป็นนักเรียนกว่า น, นักเรียนเกรดเอไปเกิดในยุคสมัยนั้นพอพูดอะไรเข้ามาก็เข้าอกเข้าใจ แล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามธรรมคาสั่งสอนของผู้ริจ้าเวลาธรรมเทศนาจบลงแต่ละครั้งผู้ใดสําเร็จเป็นพระโสดาสกฐาอนาคาอรหันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมู่เป็นแสนก็มีแต่มาถึงยุคสมัยนี้เป็นยุคชุดท้ายปลายแดนก็ว่าได้แต่ทางว่าผู้ใดสนใจประพฤติปฏิบัติธรรมะของผู้ริจ้าก็ยังคงเส้นคงวา ว่าเรารักษาศีลกสิศอย่างคุ้มครองเราอยู่เวลาเรานั่งสมาธิเพื่อจิตสงบเราก็มีความสุขอยู่เมื่อเราเพิจารณาทางวิปัสสนาถ้ารู้แจ้งเห็นจริงเราก็ปลุดพ้นได้อยู่เออแต่ถ้าว่าเราจะเอาจริงเอาจังหรือไม่เพราะฉะนั้นพวกเรามาอยู่กับพวกเราทั้งหมดแต่ถ้าว่าพวกเราเอาจริงเอาจังพวกเราก็ยังไม่ล้าสมัยยังทันสมัยอยู่ก็ทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ย, ยังทันสมัยอยู่เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งอกตั้งใจ ภาวนารักษาศีลศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยแหละที่จะเป็นเครื่องขัดเราเผากิเลสพวกเราออกจา ก, ก จ, จิตใจคือว่าตปะปาทำคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแหละไม่มีอย่างอื่นที่จะเผากิเลสราคะโทสะของเราให้หมดแห้งหายไปแปลว่ากิเลสของพวกเราเนี่ยนะถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับมะพร้าวทำงานนะมะพร้าวเนี่ยคล้าว่าดวงใจของเรารู้หัว่าใจของเราเนี่มีมะพร้าวเนี่ มีปุ๋ยมีเปลือกมีอันนั้นอยู่ในนั้นเสร็จแต่พอผ่ามะพร้าวออกมานะมาขูดคันเอาน้ํากะทิออกแล้วก็กรองเอากลากมันออกเอาแต่น้ํามันมันก็มาตมเคี่ยวใส่กระท่ะแล้วต้มเคี่ยวพอต้มเคี่ยวขึ้นมาน้ํามันมันก็ลอยออกมาจากน้ํามะพร้าวนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันนะั่นน่ะใจของเราเนกะ็เหมือนกับปุ๋ยมะพร้าวล้นกะทิมะพร้าวนั่นแต่เราใช้ความร้อนคือศีนรักษากายวาจาให้เรียบร้อย นี่คือตัดทางกิเลสส่วนหยาบออกสมาธิชำระจิตใจที่มันคิดพะวงหน้าพาะวงหลังออกอีกปัญญารอบรู้ในกองสังขารเห็นตามความจริงอย่างไรก็ปล่อยวางทีนี้นะศีล ส, สมาธิปัญญานี่นะเหมือนกับไฟต้มกระทะมะพร้าวนะที่นี้น้ำมันมะพร้าวมันก็นลอยขึ้นข้างบนใช่ไหมนั่นแหละต้บบริสุทธิ์เออพอเราเผาเต็มที่แล้ว มันก็บริสุทธิ์น้ําบริสุทธิ์มันก็ลอยขึ้นไปข้างบนถ้าห้าวาดเอาน้ํามันมะพร้าวนั่นละ่ะมาขยําเข้าไปกระทียมมะพร้าวนั่นแหะมันเข้ากันไม่ได้เพรามันเป็นน้ํามันไปแล้วอันนั้นก็เหมือนการจิตของพระอรหันต์น่ะท่านบริสุทธิ์ไปแล้วน่ะจะเอามาขยําเข้าไปกิเลสมันเข้ากันไม่ได้จิตบริสุทธิ์ไปแล้วนี่แหละในพวกเราพยายามใช้ศีลสมาธิปัญญาเนี่แหละศีลคือพื้นฐานของคุณงามความดีศีลห้า ระวัตสินห้าสำหรับครวาตสินสิสัมมเ น, นสิน227รีคือสินพระสินนี่เป็นพื้นฐานคือสร้างพุติสร้างโหมดสร้างเจดีย์อะไรก็ตามต้องวางฐานให้แน่นถ้าหาว่าฐานแน่นฐานดีแล้วฐานเป็นฝึกแผ่นแล้วเวลานั่งสมาธิจิตใจก็สงบได้ง่ายเพราะไม่ได้พวกรบไม่ได้คิดว่าเราไปปดไปฆ่าไปกี่ไปทำผิดพระวินัยอะไรมา ภาวานาก็จิตใจของเราเข้าสู่ความสงบได้ง่ายเมื่อศีลบริสุทธิ์แล้วเมื่อจิตสงบแล้วเราจะนําจิตนั้นมาพิจารณาทางด้านปัญญาเกสาโลมานขะาทันตาตโดยด้วยอาการสาสองอะไรก็ได้จิตก็จะรู้ตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงได้ง่ายขึ้นประานั้นเพราะนั้นพวกเราพยายามศีลก็อยาให้มันขาดตัวปกป้องสมาธิก็ทําปัญญา พอทำจะให้ขาดและความสุขความเจริญก็จะมาสูงพวกเราไปอยู่ในสถานที่ใดจนเท่าแก่ชลาเป็นพระขึ้นมาก็เป็นที่กราบเป็นที่หน้าพระรบกราบไหว้บูชาเป็นที่ยกย่องนับถือส่วนตัวเองก็ภาคภูมิใจเนี่ยว่าเราได้บวชมาเนี่ยมาถึงขนาดนี้เราทำเสมอต้นเสมอปลายเป็นผู้คงเส้นคงวาอยู่ในศีลในธรรมถึงเราจะไม่พ้นทุกข์แต่ศีลของเราก็บริสุทธิ์อยู่ มันก็เป็นที่อบกุญใจนะแต่ถ้าว่าศีลของเราไม่บริสุทธิ์เป็นที่ตำหนิตัวเองได้พอมาเลือลึกถึงศีลเราไม่น่าทาอย่างนั้นแต่เราก็ทำไปนะถ้ามาตำหนิดได้อย่างนี้หกใจมันว้าเหวนะร้อนนะอยู่ไม่ได้นะอยู่ก็อยู่ไปยังไงอยู่ชังกระตายไปยังไงอยู่ด้วยความไม่เชื่อมั่นตัวเองอยู่ด้วยวหวาดผวาเห่างนั้นเถิดเออถ้ามีคนท้วงติงขึ้นมาก่ เหมือนกับบัวสั่นหลังหว่าในะงั้นน่ะพอกาบินมาอยู่ท้องฟ้าก็ได้ยินเสียงกาท่านั้นน่ะบัวตอนนี้กระสุดงแล้วของงั้น เ, เอออันนี้ก็เหมือนกันพระที่ไม่มีศีลพอเขาพูดทางนน้นพูดทอนนี้ตัวเองก็แป๊วหูเข้ามาในใจล่ะเออดังนั้นพวกเราควรจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์จะเป็นเครื่องอุปโภคใจส่วนหนึ่งส่วนสมาธิปัญญานก็จะค่อยเป็นไปเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆล่ะนี่นะวันนี้ผมขอ พูดเพียงแค่นี้แต่ที่แรกก็คิดว่าจะไม่พูดอะไรให้ยาวนานขนาดนี้หรอกแต่ที่นี่พอเห็นหมูเห็นเพื่อนนานๆจะได้มาพบกันผมก็อบอุ่นนะเห็นหมูพวกเพื่อนที่เป็นลูกของพ่อแม่ที่เคารพกราบไหว้ของพวกเรานะลุงปู่ของเรานะ่ะผมก็ในายานาะาเนี่ยว่าเป็นลกูกของลงุงปู่พวกท่านละเป็นลกูกของลุงปู่เหมือนกันต่อไปก็ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนารักษาศีลอยู่ในอวาทของลุงปู่นะนะผมขอจบในการปาล็อกเพียงเท่านี้